ก็เราก็ได้มารูวมกันอบรมที่ยุวพุทธศูนย์ที่สี่อดการเจอสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจรับรู้แต่ผมงพอเทียนนั้นเพว่อลดใจคิดนึกก็คือรู้ทันความคิดนะนะรู้กาย รือทันกายที่เคลื่อนไหวรือทันใจที่มันคิดนะใจคิดก็คือใจมันมันโปรงมันแต่งนะก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะที่จริงการเจริญสติชัดเด่นจริงจิงก็คือการที่เราจับหลักนะจับหลักการมีสตินะอยู่กับกายอยู่กับใจนะแล้วที่เหลือก็คือเอาไปฝึกในชีวิตประจำวันของเรานี่ยแหละ เพราะว่ากายล้วก็เคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นจนทั้งเข้านอนนะที่จริงตอนนอนมันก็เคลื่อนนั่นแหละนะแต่เราตั้งใจรับรู้เฉพาะตอนตั้งแต่ตื่นนอนจนะทั้งเข้านอนรวมทั้งเวลามันเกิดความคิดหรือเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราก็มีสติคอยรู้ทันนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมที่ แท้จริงก็คือว่าเราปฏิบัติทุกๆวันนะไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะตอนที่เรามาเข้าคอร์อการข้อคอร์นี้มันเหมือนเป็นช่วงพิเศษของของเป็นโอกาสพิเศษเฉยๆอโอกาสพิเศษที่เราไม่ต้องทํางานอย่างอื่นโอกาสพิเศษที่มีพระอาจารย์มาสอนมาปฏิบัติเป็นเพื่อนนะ แต่ชีวิตเราจริงๆอาจจะไมไ่มีโอกาสพิเศษแบบนี้ตลอดเวลาแต่เราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานะนะหลวงพ่อหลวงพ่อคำเขียนท่านท่านบอกว่าคือเราอย่ารอโอกาสที่เราจะได้ปฏิบททัติธรรมแต่ให้เรารู้จักเวยโอกาสเฉยโอกาสคือว่างเมื่อใดเรา ล, ลึกถึงการปฏิบัติเมื่อไใเนะให้กลับมา กลารู้สึกตัวทันทีเลยนะกายทําอะไรก็รู้สึกนะใจคิดนึกปรุงแต่อย่างไรก็รู้ทันนี่นเอียกว่าให้เฉยโอกาสนะแค่ช้างกะดิกหูแค่งูแลบลิ้นก็ยังดีนะหมายถึงว่าแค่เที่ยววิชาทีหนึ่งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมีค่ามากนะนั่นเราก็ใส่การประยุกต์รูปแบบที่เรายกมือสิบสี่จังหนะวะเนี่ยเราก็แค่ลิกมือค้องมือนี่ก็ได้ละ เราหมุนนิ้วก็ได้ละหรือบางครั้งเราก็ออกกำลังกายนะแล้วก็รู้สึกตัวไปขณะที่ออกกำลังกายนะอันนี้ไปก็ได้ละเราทำงานบ้านเราทำกิจวัตรต่างๆนะแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำนะเราก็รู้สึกตัวขณะที่เราเคลื่อนไหวทำกิจวัตรต่างๆเหมือนนั่นแหะนี่คืขขอการปฏิบัติธรรมท่านั้นเลยนะส่วนการรู้ใจก็ ให้มันแทรกเข้าไปการรู้จิตรู้ใจนี่เราอย่าไปคอยดูอย่าไปจ้องหาดูว่าความคิดมันอยู่ตรงไหนจิตมันอยู่ตรงไหนจะดูไม่ได้เลยนะคือเราจะไปเอาจิตไปหาจิตนะมันหาไม่ได้ต้องให้มันโผล่ขึ้นมาเราเห็นนะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วเราถ็เห็นอย่าเอาจิตไปหาจิตนะมันเหมือนดอกไข่ ตัวเราเดินหาเงาตัวเองนะแต่มันเง า, าอยู่ข้างหลังนะมันหาไม่เจอหรอกนะเพราะไอ้ตัวตัวที่พปจารกก็คือตัวจิตนะไปหาไม่เจอหรอกต้องให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วให้สติมันเห็น้มันคิดแล้วนะมันโผล่แล้วนะนะมันอยากต็นะั่เนี่ยเราก็จะเห็นนะั่นการปฏิบัติทําจริงๆนะเราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันของเรานะั่นแหละนะ ถ้าเราเรียก ว, ว่าอะไรถ้าเราเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตของเราแล้วก็มันจะเกิดผลมากแต่ถ้าจะดีก็เราก็ควรที่จะแบ่งเวลาในการปฏิบัติในรูปแบบบ้างนะจะเดินจมคมก็ได้นะนั่งยดมือสร้างจังหวะ ก, ก็ได้สวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะทําทุกๆวันนะวันละ กี่นาทีก็แล้วแต่โยมจะจัดกันได้นะบางทีก็นักมีโยมมาถามว่าควรจะทำในในรูปแบบกี่นาทีนะมาเราไม่รู้นะักกิจวัตรของแต่ละคนเป็นแบบไหนเนาะแต่ถ้าจะดีก็มีตอนเช้ามีตอนเย็นเราจัดได้กี่นาทีก็ก็แล้วแต่เราแต่คือเราก็ฝึกสติไปนะอย่างเราสวดมน์อย่างที่มาเคยแนะนําสวดมน์เรารู้สึกถึงร่างกายที่กําลัง นมมือรู้สึกถึงปากที่ขียับ ร, รู้สึกถึงเสียงที่เป็นออกไปเนี่ยก็เป็นการรู้กา ย, ยถ้าใจเราเผลอออกไปในขณะที่สวดมนต์เราก็มีสติรู้ทันใจเราเคลิบเคิ้มไปกับบทสวดสวนมนต์เราก็มีสติรู้ทันแ้่เราฟังธรรมก็เหมือนกันนะฟังธรรมไปบางทีเราอยู่ในรถเราเปิดซีดีฟังอยนะ่เนี่ย ฟังไปแล้วสงสัยก็มีสติรู้ทันฟังไปแล้วชอบฟังไปแล้วไม่ชอบก็มีนะก็มีสติรู้ทันได้นี่คือถ้าเราทำแบบนี้ได้นะัคือการเจริญสตินะส่วนการทำในรูปแบบมันก็ช่วยให้เราคล้ายครให้เราเพิ่มทั้งสติแล้วก็สมาธิได้ได้มากขึ้นนะจำเป็นนะถ้าใครที่หวังความก้าวหน้าของของการปฏิบัติธรรมก็ควรที่จะ ทำเป็นประจำทุกๆวันนะเนะี่ยทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบเนาะก็เราก็พิจารณาเอาเนาะชีวิตรเราก็อายุมาถึงปูนนี้แล้วก็ <c oughs> เจอก็อยู่กับโลกมนาะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะมีทั้งความสมหวังผิดหวังนะ ม, มีอะไรที่เราจะเอาไปได้จริงๆในร่นี้นะเนี่ย แต่สิ่งที่เราพึกหัดานปฏิบัตเนี่ยนะมันทำให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ยังมีความทุกข์น้อยลงนะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เมื่อใดที่เราจะเจอกับปัญหาในชีวิตนะปัญหาในชีวิตในที่นี้คือเราเด็กเรี้ยงไม่ได้เนาะความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าสูญเสียอะไรนะ เ, เรื่องพวกนี้เราต้องเจอแน่นอนเราพร้อมที่จะอ่าเรียกว่า อยู่กับเขาหรือเปล่านะไม่เจอกับสภาวะตรงนั้นเราพร้อมที่จะอยู่อย่างไม่ทุกข์ได้หรือเปล่านะมาว่าการเจอสติเนี่ยจะช่วยให้เราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เมื่อไรที่เราเจอกับสภาวะนั้นเราก็พร้อมที่จะไปนะเี่ยอย่างเห็นครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านไม่มคีความห่วงอะไรในในสังขารของท่าน ไม่มีความห่วงอะไรในวัดวารามลูกศิษย์ูกหานะเห็นตรงพ่อกงเขียนตอนที่ท่านจะรักสังขานะเห็นตอนที่อาจารย์กำพลตอนที่ท่านจะไปนะก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงก็งเห็นครูบาอาจารย์ท่านทาได้นะก็เป็นความมั่นใจนะที่ได้สัมผัสแต่ที่จริงความมั่นใจจริงๆก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติเองแล้วเราเข้าใจเองนะเราจะสัมผัสได้ การเจริญสติเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตของเรามันมีลักมันมีทางที่เดินอย่างมั่นคงมากนะชีวิตนี้มันสั้นนิดเดียวนะโยมนะแต่แ้่ชีวิตหน้าถ้ามันมยังไม่หมดกิเลสตัณหาเนี่ยมันยังอีกยาวชีวิตนี้ถ้าเราพบทางทมที่จะเป็นเครื่องนำทางชีวิตเราแล้วเนี่ยเอาธรรมะนั่นแหละเป็นตัวนำทางชีวิตเรานะ ถ้าชีวิตมันยังอีกยาวอย่างน้อยเราก็มีเรียกว่ามีบุญกุศลมีปัญญาที่เราได้ฝึกหัดตรงนี้แหละมันจะทําให้เราได้ได้ได้ลึกถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้เราได้ใช้ตรงนี้ได้ศึกษาตรงนี้ต่อไปนะอืก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะ